เริ่มตั้งแก่ท่านภาษาลีบุตรนะเป็นต้นมาซึ่งเป็นพี่คนโตในศาสนาของพระชินาเจ้านี้พิจารณาว่าเราทั้งหลายได้ถวายนอบน้อมบูชาภาษาสดาทั้งบาลีภาษาไทยด้วยพระบรมศา ส, าสดามีพระมหากรุณาธิคุณพระองค์มีความดำริว่า ความคิดว่าจักบริหารสง์ความคิดจะบริหารหมู่สงความคิดจะให้สง์พึงพมนักแก่เราอ้างเราความคิดดังกล่าวย่อมไม่มีแก่พระตถาคตเพราะพระตถาคตอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ละความลิษยาได้ละความตนีได้อย่างหมดสิ้นเป็นสมุดเชตาหานณะโพธิบาลังแล้ว ที่ใช้คําว่าอาศีติโกก็แปลว่ามีอายุ80ดพรรษาท่านแสดงว่าพระธถาคตเนะี่ยสำเร็จอียบททั้งสด้วยเครื่องผูกเครื่องตามก็คืออรารัตผลแม้พวกเธอก็จงอยู่ด้วยอรารัถผลสมาบัติเพื่อประโยชน์แก่ความผาสุกนะก็หมายความบอกว่าอายุแปพรรษาท่านแสดงว่าพระธถาคตเนะี่ยสำเร็จอียบ ท, ทั้ง4 ด้วยเครื่องผูกเครื่องตามด้วยอารฐผลพระศ า, าสดาเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในยาบทยืนเดินนั่งและนอนพระองค์ก็จะมีทาเป็นเครื่องอยู่ทาเป็นเครื่องอยู่ของพระองค์นั้นเ็าเรียกว่าอาริยวิหารอริยวิหารเวลาเราถวายล่มบัง้งลงเท้าบัางถวายอาสนะเป็นต้นบั้งเราก็ปรารถนานี่แหละเราจะได้ทำเป็นเครื่องอยู่สูงสุดเสที ตอนนี้เราอยู่อย่างยาบทธรรมดาที่บางครั้งก็ราคาโทสะโมหกินใจนะแต่พระศ า, าสดานั้นท่านอยู่ในอยาบทวิหารเดี๋ยวต่อไปเราจะบูชาพระศ า, าสดาด้เครื่องสการะทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดนะเนี่ยที่เราเห็นทั้งหลายเหล่านี้เราจะน้อมเอาบูชาทั้งสิ้นนะจะเอาวิหารหลังนี้ทั้งหมดถวายเป็นพุทธบูชา วัดเหล่านี้ทั้งหมดดอกไม้ทั้งหมดนี่นะสิ่งของที่มีอยู่ทั้งหลายเขาตั้งไว้บูชาอยู่แล้แลวเราก็น้อมถวายบูชาเพราะเป็นบุญตาบุญใจของเราที่ได้มาเกี่ยวข้องกับสิ่งบูชาเหล่านี้ทั้งหมดเราก็จะน้อมสิ่งเหล่านี้บูชาบวกทั้งของที่เรานํามาจากแดนไกลด้วยบูชาพระศาสดาแต่ใครคิดไม่เป็นก็ฝึกคิดเสียเนี่ยเครื่องสกายละทั้งหลาย นี่มีพระราชท า, านเครื่องบูชามาด้วยนะด้านหน้านู่นเนี่ยนะนะมีพระราชท า, านจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชท า, านรู้สึกเริ่มวางเมื่อวานเมื่อคืนเนี่ยนะถวายเป็นพุทธบูชาด้วยพวกเราก็ได้บุญตาบุญใจเลยถวายซ้ําก็อีกเป็นพุทธบูชานะมีทั้งจีวรมีทั้งดอกไม้ มีทั้งกรวยบูชาไว้อย่างดีเลยเนี่ยประดับไว้อย่างดีเลยแล้วก็เครื่องบูชาทั้งหลายอลังการมากที่หนักไ้กว่อ น, นั้นก็ข้างในมีเพชรเม็ดงามมากติดประโลมบูชาไว้ถวายเป็นพุทธบูชาเราก็ยกถวายบูชาอีกครั้งนะถวายบูชาอีกครั้งแล้วก็ลายประดับทั้งหลายที่อยู่ในพระเจดีย์ นอกพระเจดีย์อุโบโสถทั้งหลังกำลังซ่อมงบประมาณยี่สิบล้านหนึง่งใกล้เสร็จแล้วจากไฟไหม้พระพาที่ประทับนะที่สมเด็จพระเทพเคยเสด็จมาเนี่ยนะเราก็จะน้อมถวายเป็นพุทธบูชาทั้งหมดเลยนะดอกไม้ในะนาพันธ์ทั้งหลายเข้าใจยังน้อมเป็นหรือยังเป็นแล้วนะอา้าวประนมมือขึ้น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 ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้า ขอถึงซึ่งพระธรรมขอถึงซึ่งพระธรรมขอถึงซึ่งพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งขอถึงซึ่งพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งข้าพเจ้าขอกาบนอบน้อมข้าพเจ้าขอกาบนอบน้อมบูชาพระคุณบูชาพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีพระเมตตากรุณาหาประมาณมิได้ที่มีพระเมตตากรุณาหาประมาณมิได้ที่เสียส สละสังสมบารมีที่เสียสละสังสมบารมีรธธรมเพื่อประกาศ ธ, ธรรมเพื่อประกาศธรรมนำเวเนยศัสตร์ออกจากวัฏททุกนำเวเนยศาสตร์ออกจากวัฏททุกข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายตระห น, น, นักในคุณของพระศาสดาแล้วตระหนักในคุณของพระศาสดาแล้วมาในวันนี้มาในวันนี้มาซบสศีรษะมาซบสศสบสีรษะใต้เบื้องพระบาทของพระบรมศสา ศาดาใต้เบื้องพระบาทของพระบรมศาสดาสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาคุณพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์คุณพระบริสุทธิ์คุณของพระศาสดาของพระศาสดาที่ทรงบําเพ็ญบารมีที่ทรงบําเพ็ญบารมีอย่างยาวไกลอย่างยาวไกลเพื่อข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อข้าพเจ้าทั้งหลาย ข้าพเจ้าทั้งหลายขอนำสักการะที่มีอยู่ทั้งหมดเหล่านี้ถวายนอบน้อมเป็นพุทธบูชาแด่พระบรมศาสดาผู้มีพระมหากรุณาธิคุณแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายอย่างหา หาประมาณมิได um ้อย่างหาประมาณมิได้ข้าพเจ้าตะหนักข้าพเจ้าตะหนักในพระคุณในพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างใหญ่หลวงอย่างใหญ่หลวงข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบกายขอมอบกายถวายชีวิตถวายชีวิต เป็นฆ่าทาตเบื้องบาด菩าสดาเป็นฆ่าทาตเบื้องบาด菩าสดานับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสักการะทั้งหลายสักการะทั้งหลายที่มีอยู่ณบริเวณเหล่านี้ที่มีอยู่ณบริเวณเหล่านี้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจักประมวลด้วยใจจักประมวลด้วยใจถวายนอบน้อมเป็นพุทธบูชาถวายนอบน้อมเป็นพุทธบูชา แด่พระบรมศาสดาแด่พระบรมศาสดาด้วยจิตที่มุ่งมั่นผ่องใสด้วยจิตที่มุ่งมั่นผ่องใสข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายจะเดินตามรอยบาทพระศาสดาจะเดินตามรอยบาทพระศาสดาขอพระศาสดาขอพระศาสดาโปรดจำข้าพเจ้าทั้งหลายโปรดจำข้าพเจ้าทั้งหลายว่าเป็นสาวกของพระศาสดาว่าเป็นสาวกของพระศาสดาเป็นบริษัท ของพระศาสดาเป็นบริษัทของพระศาสดาจิตใจของข้าพเจ้าทั้งหลายจิตใจของข้าพเจ้าทั้งหลายจะตั้งมั UM ่นในพระคุณจะตั้งมั่นในพระคุณโดยไม่ให้เสื่อมคลายโดยไม่ให้เสื่อมคลายข้าพเจ้าจะใฝ่ศึกษาข้าพเจ้าจะใฝ่ศึกษาในศีลสมาธิปัญญาในศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาฝึกฝนอบร อรมตนเงฝึกฝนอบรมตนเองอย่างมุ่งมั่นต่อเนื่องอย่างมุ่งมั่นต่อเนื่องข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายจะไม่ท้อถอยจะไม่ท้อถอยยามใดที่ประสบความทุกข์ยามใดที่ประสบความทุกข์จิตใจของข้าพเจ้าจิตใจของข้าพเจ้าจะตั้งมั่นในคุณของพระศาสดาจะตั้งมั่นในคุณของพระศาสดาถึงแม้ว่าศีรษะของข้าพเจ้าถึงแม้ว่าศี จะหลุดออกจากบาปข้าพเจ้าก็จะตั้งมั่นในคุณของพระรัตนตรัยอย่างไม่เสื่อมคายข้าพเจ้าเข้ามาถึงพระรัตนตรัยแล้วขอประกาศยืนยันต่อพระศาสดาว่าข้าพเจ้าจักประพฤติธรร ข้าพเจ้าจะาประพฤติธรรมตามสมควรแก่โลกุตรธรรมตามสมควรแก่โลกุตระธรรมจะเริ่มตั้งแต่เข้าถึงไตรสรณคมจะเริ่มเข้าแต่ไตรสรณคมพัฒนาอัจฉริยัยพัฒนาอัจฉริยัยให้เดินไปตามลำดับ ให้เดินไปตามลำดับพัฒนาเข้าเป็นไปตามลำดับพัฒนาเข้าไปเป็นไปตามจนถึงโลกุตละธรรมให้ได้จนถึงโลกุตละธรรมให้ได้ขอน้อมนำส ก, การะทั้งหลายขอน้อมนำสั ก, การะทั้ง ที่อยู่ในกระแสจิตใจของข้าพเจ้าที่อยู่ในกระแสจิตใจของข้าพเจ้าถวายเป็นพุทธบูชาถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระบรมศาสดาแด่พระบรมศาสดาแด่พระธรรมของพระศาสดาแด่พระธรรมของพระศาสดาแด่อริยสงสาวกของพระศาสดาแด่พระอริยสงสาวกของพระศาสดาข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบกายถวายชีวิตขอมอบกาย วชีวิตแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าบุญกุศลบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากศรัทธาที่มุ่งมั่นที่เกิดขึ้นจากศรัทธาที่มุ่งมั่นขอเป็นปัจจัยขอเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีส่วนรู้ตามธรรมมีส่วนรู้ตามธรรมของพระองค์ ของพระองค์ในการอันควรด้วยเธอในการอันควรด้วยเธอแม้ต้องเกิดในภพชาติใดๆแม้นต้องเกิดในภพชาติใดๆขอเกิดภ า, ายใต้ร่มเงาขอเกิดภ า, ายใต้ร่มเงาแห่งบวรพระพุทธศาสนาแห่งบวรพระพุทธศาสนาได้ครบสัตบุรุษได้ครบสัตบุรุษผู้รู้ธรรมอันประเสริฐผู้รู้ธรรมอันประเสริฐ ม, มีกรรมสัมพันธ์ที่ดีมีกรรมสัมพันธ์ที่ดีได้เกิดท่ามกลางกิริยานมิตร ได้เกิดท่ามกลางการยานมิตรเป็นสัมมาทิฏฐิทุกชาติไปและเป็นสัมมาทิฐิทุกชาติไปมีโอกาส ศ, ศึกษาธรรมฟังธรรมมีโอกาส ศ, ศึกษาธรรมฟังธรรมและประพฤติธรรมและประพฤติธรรมจนเป็นปัจจัยจนเป็นปัจจัยให้เจริญด้วยสติปัญญายายให้เจริญด้วยสติปัญญายายตามส่งในชาตินี้และชาติต่อๆไปตามส่งในชาตินี้และชาติต่อๆไปจนถึงพระนิพพานจน ในการอันควรด้วยเธอในการอันควรด้วยเธอสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเอาถวายของบูชาที่มีอยู่นะใครมีอะไรส่งมาอ่ะส่งมา